ที่สามแหงกรุงเทพใต้หลวงปู่ชาชารุทธโมได้กล่าวว่าเราแม้ไม่รู้ทำอะไรเลยแม้ไม่เคยฟังทำอะไรเลยแต่มีใจแน่วแน่ในใจสระนาคมคําว่าใจสระนาคมก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงพระธรรมหมายถึงพระอริยสงฆ์ใจเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอริยสงฆ์ก็สามารถบ ร, รุลพระนิพพานได้ โดยที่ท่านไม่ต้องรู้ทําอะไรเลยนี่ท่านกล่าวยืนยันอย่างนี้เลยผมเคยสังเกตเห็นจากพิษพวกท่านทั้งหลายบางทีเอาพระมาถือไว้ที่มือจับนักที่ฐานเป็นพระรูปพระพุทธเจ้าบ้างเป็นรูปพระสงฆ์บ้างหรือเอาพระมาห้อยคอไว้ใจใจของท่านไม่เป็นพระใจเป็นพระเพลิงใจเป็นพระเพลิง พระแต่ละองค์นั้นเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระอรหันต์ที่ท่านอธิษฐานกินให้มาแต่แม้มีพระอยู่ที่มือมีพระอยู่ที่คอคล้องพระอยู่แต่ใจเป็นพระเพิงไม่ได้ใจเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอริยสงฆ์ใจเป็นพระเพลิงใจแผดเผาเล่าร้อนไปด้วยในประการต่างๆแผดเผาเลาร้อนไปด้วยไฟราคะ พุทธเจ้าตัดว่าราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟความลุ่มหลงโมหะคือความลุ่มหลงเป็นไฟใจเป็นไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะในเมื่อใจเป็นไฟแต่ของพระอยู่ที่คอพระก็ไม่ได้เข้าถึงใจได้แต่มีพระที่คอเดินไปปวดไปปวดกันมาบางทีมีพระ สมเด็จอง์ละหลายล้านก็มีเน่อวดกันไปอวดกันมามีพระอยู่ที่ใจนั่นแหละที่สุดยอดประเสริฐแล้วใจเป็นพระใจเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอาหารหันแม้แต่ไม่มีพระคล้องดีที่คอแต่มีพระอยู่ที่ใจปรเสริฐกว่ามีพระอยู่ที่คอแล้วใจเป็นไฟเป็นไฟลาคะไฟโทสัตพยาบาตอาฆาตแค้นผูกใจเจ็บ ไม่เมตตาไม่ให้อภัยมีความติดค้างค้างขาแค้นเคืองขัดเคืองใจเก็บไว้ในใจไม่ยอมให้อภัยมีความตื้อสาอยู่ตลอดเวลา น, นเรียกว่าไฟโทสะไฟโมหะคือความรุ่มหลงเกิดไฟโทสะในใจเกิดไฟลาภาในใจและไม่รู้ตัวเรียกว่าโมหะ มีความหลงหลงไปตามสิ่งนั้นอย่างนี้ต่อให้มีพระค้องอยู่ที่คอมันก็เข้าไม่ถึงใจแต่ผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจนั่นแน่ก็ใกล้ถึงมราคเลก็ไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อ ย, เ, อยเพราะว่าเมื่อใดที่ใจท่านเป็นพระพุทธท่านมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมก็อยู่ในใจ พระอริยสงฆ์ก็อยู่ในใจครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านก็อยู่ในใจเราจะคิดเราจะพูดเราจะทำสิ่งใดเราก็รู้สึกละอายแย่ใจเพราะมีพระพุทธเจ้าในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ในใจมีครูบาอาจารย์รอยู่ในใ จ, มา จ, าในใจเมื่อใจ แอบคิดแอบนึง่งแอบฝึกแอบปรุงแต่งแอบพูดแอบกระทําสิ่งใดเราก็าอายแก่ใจละอายแก่ท่านมีฤทธิ์โอตตะปะความละอายแก่ใจความเก่งกลัวต่อบาป ท, ที่เรามีท่านอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระยสงอยู่ในใจมีผู้บาอาจารย์ที่เคารพนับถือยอยู่ในใจมีความรู้สึกละายแก่ใจและเก่งกลัวต่อบาป เราก็รักเสียรักการกระทานั้นเสียรักการพูดนั้นเสียรักการแอบคิดอะไรอยู่ในใจนั้นเสียที่เป็นความละอายแก่ใจและเกงกลัวต่อบาปเราต้องหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีใครเราที่ไม่เคยที่จะไม่กระทําบาปกรรมทางกายไม่กระทําบาปกรรมทางวาจาไม่แอบกระทําบาปกรรมทางใจเราทุกคนล้วนเคย กระทำบาปกรรมมาแล้วทุกคนแต่เมื่อใดที่ท่านมีโอกาสมาฟังทำแบบนี้มีโอกาสมาปฏิบัติทำแบบนี้เมื่อสิ่งใดพลาดพังไปแล้วก็ปล่อยไปให้เป็นอดีตแล้วเราก็ตั้งใจใหม่ว่าการกระทําบาปกรรมใดๆทั้งหลายการพูดการแอบคิดอะไรในใจทั้งหลาย เราจะไม่กระ ท, ทําอีมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าต่อไปนี้เราให้สัจธรรมวาจาแก่พระพุทธเจ้าแก่พระธรรมแก่พระอริยสงฆ์แก่ค ร, ร, ร, รูบาอาจารย์ว่าเราจะตั้งใจรักษาใจของเราไม่ให้มีการแอบกระทําแอบพูดแอบคิดอะไรอยู่ในใจที่เป็นบาปกรรมที่เป็นจิตสี่ห้า ใจก็จะไม่รู้สึกว่าเรามีความละอายกับท่านไม่เช่นนั้นเมื่อเราเข้าไปพบครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์เราก็มีความรู้สึกว่าเราละอายกับใจละอายกับท่านถ้าเราแอบไปกระทามาแอบพูดแอบคิดมาท่านรู้ทุกอย่างที่เราแอบไปกระทามาแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแม้แต่เราแอบคิดในใจครูบาอาจารย์ ก็รู้ว่าเราแอบคิดในใจว่าอย่างไรวันเวลาที่ผ่านมามีความปเป็นเสียนหักห้ามใจหักห้ามการกระทําหักห้ามการพูดหักห้ามความคิดในใจตนที่จะละการกระทาเป็นนั้นไปเสียเมื่อเป็นเสยเนเียนที่จะละการพูดเช็นนั้นไปเสียเมื่อเป็นเสยเนเียนที่จะแอบคิดอย่างไม่ดีสิ่งใดกับใครเสีย ต้องมีความอดทนกดกัน้นข่มใจระงับจับยังชั้งใจตลอดเวลาตลอดมาแพ้ตั้งต้นใหม่เอาใหม่และให้สัจจะสวัสดว่าเราจะไม่แพ้อีกเราจะไม่ล้มอีกเราจะไม่แพ้อีกเราจะไม่แอบทิดอย่างนี้อีกเราจะไม่แอบพูออบดอย่างนี้อีกเราจะไม่แอบกระทาอย่างนี้อีกแพ้ไปแล้วพลาดไปแล้วล้มไปแล้วจะไม่เกิดซ้ำสองอีก แก้ไขกับลายตัวเองทำการกระทําการพูดการแอบคิดอยู่ในใจเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันไปไหนใจก็เป็นธรรมไปไหนใจก็เป็นธรรมนี่ได้วความภาพเพียรลำบากยากเขียนแต่ประมาณเพราะใจคนนั้นมันยากจริงๆไม่กระทําอย่างพอทนไม่พูดคือออกปากมาอย่างพอทนไม่แอบคิดในใจโดยที่ไม่โดนตัวเอง ไม่รู้เท่าทันเลยนั้นยากจริงๆเพราะมันเดี๋ยวก็แอบคิดขึ้นมาโดยเฉพาะแอบคิดในที่ลับแอบคิดในคิดว่าไม่มีใครรู้หราเราคิดอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แล้วก็คิดไปเรื่อยคิดว่าแอบคิดกับใครก็เมืนมีใครจะรู้เพราะฉะนั้นเราแอบคิดอย่างไรก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงฆ์ มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านรู้อยู่ตลอดเวลาเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่แม้แต่จะแอบคิดสิ่งใดในใจรู้สึกละอายต่อท่านเมื่อไม่แอบกระทำไม่แอบพูดไม่แอบคิดสิ่งใดขึ้นมาในใจโดยที่จะาตัวไม่รู้เท่าทันเลยนั้นไม่มีจะรู้เท่าทันตลอดเวลาแม้แต่แว บ, บขึ้นมาก็รู้เท่าทันและระงับดับไปเสียรู้เท่าทันและระงับดับไปเสีย พระแบบนั้นมาการปฏิบัติธรรมก้าวหน้ารวดเร็วและเห็นผลได้วด่วนเร็วมากจึงบอกว่าหลวงปู่นี่แหละเป็นอานิสงส์เพราะหลวงปู่แต่แท้เป็นอานิสงส์เป็นกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเป็นเครื่องเตือสติเครื่องเตือปัญญาเครื่องเตือจิตใจไม่ให้พลั้งพลาดทั้งการกระทำทั้งการพูดทั้งการแอบคิดใน ใ, นใจดําเนินตามทางดําเนินตามธรรมตลอด ได้วความที่จะต้องไม่ละอายแก่ใจจะต้องไม่ทําสิ่งใดไม่แอกทิฟสิ่งใดให้เป็นความละอายแก่ใจนี่ทํานั้นจึงก้าวหน้าใจเป็นธรรมไปไหนไปกับธรรมนั้นมีแต่ความหาสุขไปด้วยกันใจเป็นธรรมไปด้วยกันนี่ต้องห้าเปลี่ยนแบบนี้เลยจึงจะพบ ซึ่งความสุขความเจริญพบกับความรมเย็นได้มีสมัยพุทธกาลมีพระอยู่คณะหนึ่งไปปฏิบัติอยู่ที่ตีนเขาไม่ทราบว่าที่ตีนเขานั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งสามารถล่วงรู้ความคิดของพระในวัดนั้นทุกความคิดทุกองทุกขณะจิตที่พัดในวัดนั้นแอบคิดอะไรโยมผู้หญิงที่อยู่ข้างวัดนั้นสามารถรู้ความคิดของพระในวัดทุกองทุกขณะจิต ท่านก็ไม่ทราบว่าโยมผู้หญิงข้างวัดรู้ความคิดของท่านในวัดท่านก็ไม่ระวังความคิดของท่านท่านก็คิดไปแต่และองค์ก็คิดไปต่างๆนานาในทางที่กุศลบ้างอะกุศลบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาป บ, บ้างเป็นดีบ้างเป็นชั่วบ้างแต่เมื่อใดที่ท่านปรารถนาจะทานอาหารประเภทใดวันลุกขึ้นผู้หญิงนั้นก็ทําอาหารประเภทนั้นมาถวายองค์นั้นองค์นี้ของสิ่งใดในวัดขาด คิดจะได้ของสิ่งใดวันลงขึ้นผู้หญิงนั้นก็นําของสิ่งนั้นมาถวายให้ทุกครั้งไปนานๆเข้าก็รู้ว่าโยมผู้หญิงข้างวัดนี้รู้ความคิดของพระในวัดนี้ทุกความคิดเกิดความละอายแก่ใจไม่สามารถไปอยู่ที่วัดนี้ได้ต่อไปแล้วพระทั้งหลายนั้น ก็เลยพากันไปฝ้องพุทธเจ้าว่าละอายแก่ใจที่แอบคิดแอบนึแอ บ, แอบตึกแอบต่อแอบปรุแต่งไปในทางที่น่าละอายไม่สามารถจะอยู่ที่นั้นได้แล้วขอไปอยู่กันในที่อื่นพอพุทธเจ้าไม่ประทานอนุ ญ, ญาตให้กลับไปปฏิบัติอยู่ในที่นั้นตามเดิมแล้วให้คอยระวังรักษาจิตใจของตัเองให้ดีในที่นั้นแนี่จะทําให้ท่านทั้งหลาย สมเด็จฟระอรหันต์พรที่สูตรทั้งหลายเหล่านั้นก็กลับไปในที่เดิมนั้นมบแต่นั้นมาทุกองมีความเพียรความระมัดระวังความคิดระมัดระวังรักษาใจของตัวเองตลอดเวลาไม่ให้คิดสิ่งใดคิดให้ผหญิงเดียวผู้หญิงนั้นจับความคิดได้รู้ความคิดได้ถ้ามันแว บ, บขึ้นมาก็รู้ตัวรู้ตัวทันเสียแวบบขึ้นมาก็รู้ตัวรู้ตัวฐานเสียไม่ทันที่ยวผู้หญิงนั้นจะจับความคิดได้ว่าคิดอะไร ทำอย่างนี้ทุกองค์ทำความเพียนอยู่สามเดือนในพรรนา น, นพลักพิสูจน์ทางวันนั้นสำเร็จพระอารหาันต์ทุกอง น, นี่ดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งสามารถล่วงรู้ความคิดเราไว้ได้ตลอดเวลาเราก็จะระวังรับสาใจของเราไว้ได้ตลอดเวลาจนมีความรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องละอายแก่ใจอีกต่อไป ไม่มีอะไรที่จะต้องละายแก่ท่านเมื่อ น, นั้นธนิพนา์ก็คือใกล้เขาท่านทุกมาทุกทีทุกทีไม่ยากเลยไม่นานเลยนี่เพราะพระสงฆวัดก็สำเร็จพาาระรหัสกันก็เพราะเหตุ น, นี้ดังนั้นแม้ท่านจะปฏิบัติทำความเปลี่ยนมากมายเพียงใดแต่ถ้าท่านปล่อยใจของท่านตลอดเวลาแอบคิดแอบนึกแอบแแอบปรุงแต่งแอบที่จะปรุงไปในทางที่เป็นกิเลสปัญหา ไม่ความพอใจไม่พอใจแอบรักแอบจังโดยที่ท่านไม่มีสติตสัพจัญญารู้ตัวรู้ทัตพันไว้ตลอดเวลาความปฏิบัติไม่ว่าจะนั่งนิ่งเทียงใดก็ตามไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถที่จะออกจากทุกได้ได้ จ, จะเปี่ยงกิริยาทางกายที่นั่งนิ่งนิ่งหับตาเฉยดังนั้นท่านต้องรู้ตัวรู้ทัตพันความคิดที่แอบคิศขึ้นมาอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่ให้มันคิดไปได้ตามยาถากรรมตามความเคยตัวเคยใจเพราะพพุทธเจ้าได้ตรัสว่าวิธีที่จะทำให้ท่านทั้งหลายไม่สามารถจะแอบคิดไปในทางความเคยตัวเคยใจได้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าให้คิดหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระอริยสงฆ์เช่นให้คิดถึงพุทโธธรมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจักสามครั้งเสร็จแล้วก็เหลือแต่พุทโธธัมโมสังโคนั้นรวมลงที่พุทโธอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้าก็รวมลงที่พุทโธพระธรรมก็รวมลงที่พุทโธพระอริยสงฆ์ก็รวมลงที่พุทโธเพราะว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้แจ้งแล้วผู้มีจิตตื่นตัวอยู่เสมอ ผู้มีใจเบิกบานอยู่เสมอพุทโธหรือพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นพุทโธจึงรวมเอาพระพุทธเจ้ารวมเอาพระธรรรวมเอาพระยสงรวมเอาพระนิพพานรวมไว้ในพุทโธทั้งหมดท่านจึงให้บริกรรมแต่เปลี่ยนคําว่าพุทโธอย่างเดียวเมื่อท่านคิดพุทโธให้มากไว้ ความคิดที่เป็นเกลีเลตต์ปัญหาใดๆทั้งหลายก็จะออดกําลังลงเพราะว่าโดนความคิดพุทโธมาเบียดเสมดที่ว่างสาหรับความคิดอื่นๆจะลดน้อยถอยลงไปจนไม่มีที่ว่างสําหรับความคิดที่เป็นกเนนกลีเหสต์ปัห้ต่อไปเหลือแต่ใจที่คิดพุทโธรละลึก ถ, ถึงพรอพุทธเจ้ารละลึกถึงพ่อธรรมระลึกถึงพยาสงระลึกถึงพันธิพานพุทโธพุทโธ ดังพี่หลวงปู่แหวนสจิโนได้กล่าวว่าเอาพุทโธนั้นเป็นมัมพุทโธเป็นผลพุทโธเป็นพันิยผานเอาพุทโธพุทโธพุทโธภูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายหลวงปู่มันทั้งหมดที่ฟัสําเร็จฟ้าหลานแล้วล้วนแต่บริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้คิดถึงพุทโธไว้ความคิดอื่นๆก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องปพยายามไล่ดับความคิดเหล่านั้น เดี๋ยวพอความคิดอื่นๆก่อนอีกท่ากคิพุทโธพุทโธพุทโธไว้ความคิดอื่นๆก็ถูกคําคิดพุทโธเข้ามาแทนที่ความคิดอื่นๆเขาก็ดับไปเองท่านก็คิดพุทโธไว้คิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ความคิดอื่นๆก็จะถูกแทนที่โดยความคิดพุทโธตลอดเวลาเดี๋ยวทางความคิดพุทโธนั้นเป็นถูกปริณสายใหม่ของท่านเป็นทางเดินสายใหม่เป็นทางเส้นใหม่ซึ่งท่านอาจจะเคยเดินมาแล้วหลายพบหลายชาติหรืออาจจะเดินในชาตินี้ก็ตาม ท่านก็ฝึกพัดเดินทางสายพุโทโธทางเส้นใหม่หรือทางสายใหม่ให้ชำนาญทางเส้นเก่าคือความคิดนึกตึกของปรุงแต่งไปในทางที่เป็นกิเลสปัญหาเป็นความรักความชังความแอบพอใจแอบไม่พอใจจิกใจซึ่งเป็นทางสายเก่าท่านเดินมันมานานมากแล้วทางเส้นนั้นเดินมันจะเปลี่ยนโล่งท่านก็มาเดินทางเส้นใหม่สายพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว เม่อท่านคิดพุโทโธหรือบริกรรมคำว่าพุโทโธให้จานานจนเกิดเป็นความเกยกินทุกเวลาบทยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้าห้องส้วมดื่มกินทํากิจกรรมใดๆเดินทางไปไหนมาไหนพุโทโธตลอดเวลาเป็นทางเส้นใหม่จนท่านเดินทางเส้นใหม่สายพุโทโธจะเกิดความคุ้นเคยความจานานจิตมันก็จะไม่หวนกลับไปเดินทางเส้นเก่าเพราะมันํานานและคุ้นเคยในทางเส้นใหม่ทางสายเก่าท่านไม่ต้องทําลาย เมื่อท่านไม่กลับไปเดินทางสายเก่าสายที่เป็นความคิดปรงแต่งทเป็นกิเลสตัณหาทางสายเก่าก็หมดสภาพความเป็นทางเองไม่ซ่องไปทาลายทางสายเก่าเพียงแต่ท่านไม่ให้จิตเขากลับไปเดินทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าเมื่อไม่มีคนเดินก็จะหมดสภาพความเป็นทางยาก็จะขึ้นลบหมดสิ้นไปเองโดยอัตโนมัติขอให้ท่านเดินทางในทางสายใหม่ พุทโธทางสายใหม่คิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไวคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไวแล้วก็ทางสายใหม่ก็จะเรียบเสี่ยนโลกด้วยอำนาจที่ท่านทั้งหลายเดินทางอยู่เป็นประจำไม่ย้อนกลับไปเดินทางสายเก่าคือความคิดซึกติดต่อปุงแต่งที่เป็นกิเลสเป็นสัญหาก็จะค่อยๆเสียสภาพทางไปเองทางเส้นเก่าไม่ต้องไปคิดทาลาย หมดสภาพไปพราะไม่กลับไปเดินนี่กิดพุดโทโธไว้ท่านจึงกล่าวว่าเอาพุโทโธเป็นมัสมเป็นทางเดินมัสมคือทางเดินเอาพุโทโธเป็นมัสมเอาพุโทโธเป็นผลพุโทโธเป็นพันนิพานท่านทั้งหลายให้บริกรรมคำว่าพุโทโธไว้พุโทโธพุโทโธแล้วก็เห็นจิตใจของตัวเองทุกขณะจิตว่าแอบคิดแอบนึกแอบตื่นแอบต่อแอบปุงแต่งสิ่งใดๆขึ้นมาในขณะปัจจุบัน พอเห็นแล้วกับพุทโธพุทโธพุทโธไความคิดนึกคิดซ้อคงแต่งท่านไม่ต้องไปทำลายเขาเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองให้คิดพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดทั้งหลายก็ขึ้นมาอีกเขาคิดซ้อนขึ้นมาเขาคิดซ้อนขึ้นมาถ้าก no ับคิดพุทโธไว้ความคิดทั้งหลายก็ดับไปเองหายไปเองท่านไม่ต้องไปคิดํารายความคิดเหล่านั้นขอท่านคิดพุทโธไว้พอมีความคิดพุทโธไว้ความคิดอื่นๆก็ถูกความคิดพุทโธขึ้นแทนที่ความคิดอื่นๆก็ ทำลายหายไปเองท่านจะทิ้งหลักจะทิ้งพุทโธยื น, นยเดินนั่งนอนเข้าหองน้ำห้องร่วมดื่มกินจตามไปไหนมาไหนพุทโธไว้พุทโธไว้ตลอดเวลาแล้วให้รู้ตัวมีสติสัปจัญญารู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังคิดพุทโธอยู่ให้มีสติสัปจัญญารู้ตัวตลอดเวลาว่ายังคิดพุทโธอยู่ไม่ได้แอบไปคิดอย่างอื่นให้มีสติสัพจัญญารู้ตัวตลอดเวลาว่าคิดพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าคิดอย่างอื่นก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ท้อทันทันทีว่าใจแอบไปคิดอย่างอื่นแอบไปคิดที่เป็นทางเดินสายเก่าแล้วกลับไปทางเดินเส้นเก่าก็รู้ตัวรู้ท้อทันทันทีแล้วก็มาคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทธไว้ความคิดอย่างอื่นนั้นก็จะดับละลายหายไปเองท่านก็คิดพุทโธไว้ทางพุทโธทางสายใหม่ที่ไม่เคยเจนเดินเสียให้ชํานาญเดินเสียให้คุ้น ความคิดอื่นๆที่เป็นกิเลสปัญหาก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงได้ลงเหลือแต่ความคิดพุทโธกับใจผู้รู้ความคิดอื่นๆก็จะค่อยๆน้อยลงจนละลายหายไปหมดสิ้นที่สุดเหลือแต่ความคิดพุทโธกับใจผู้รู้พุทโธเหลือแต่ความคิดพุทโธกับใจที่รู้พุทโธจนที่สุดพุทโธนั้นไม่มีคู่แข่งติดต่อไปคือความคิดอื่นๆนั้นถูกความคิดพุทโธชนะขาดกระเด็นเหมือนกับ พุโทโธนั้นเป็นนางามจักรวาลคนสุดท้ายความคิดอื่นๆไพ่นในในแพ้ห ม, หมดแล้วเหลือความคิดพุทโธเป็นนางามจักรวาลคนสุดท้ายใจที่รู้ความคิดพุทโธอยู่นั้นเขาก็วางความคิดพุทโธนั้นลงเหลือได้ใจเป็นพุทโธเองด้วยใจของเขาไม่ใช่เกิดจากการบริกรรมแต่เป็นใจที่ผูร้รู้รู้แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานอยู่ได้ใจของเขาเองหลังจากนั้น เมื่อใจเป็นผู้รู้ด้วยใจของเขาแล้วพอมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีอาการทางกายมีอาการทางใจอย่างใดๆเกิดขึ้นก็สับแต่ว่ารู้สับแต่วรู้ความรู้สึกนึกคิดปุ่งแตกเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นอาการทางกายอาการทางใจเหล่านั้นสับแต่ว่ารู้สับแต่ว่ารู้ไม่ใจไม่เผลอไฝผู้รู้ไม่เผลอไฝไหลไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆเล ย, เ, ลยเพราะเป็นผู้รู้อยู่กับความบริกรรพุทโธมานาน เสร็จแล้วเมื่อความบริกรรมพุทโธชนะเลิศเป็นนางาบจักรวาลแล้วความคิดอื่นหมดความหมายส่อใจแล้วต่อไปเมื่อมักับคิดและตื่นต่อพงแตกขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีทิ่ที่ฝนในใจต่อใจผู้รู้ก็เป็นอิสระจากความคิดเหล่านั้นความคิดและอารมณ์เหล่านั้นไม่สามารถทําอะไรใจผู้รู้ให้สะเทือนให้หวันไหวให้เป็นทุกข์ได้ก็เหลือแต่รู้เปล่าๆบริสุทธิ์จนถึกวันตายนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ท่นก็เดินทางสายนี้พุโทโธทางสายใหม่ไม่ยากอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความสม่ำเสมออยู่ที่การไม่ตามใจไม่ตามใจตนเองการปฏิบัติท่านเดียบเหมือนกับการขึ้นต้นตาลเมื่อใดที่ขึ้นยังไม่ถึงยอดตาลไม่มีที่พัก จะพักกลางทางไม่ได้บอกว่าเราคิดพุโทโธพุโทโธพุทโธมานานแล้วแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดเวลาว่าคิดพุโทโธพุทโธมานานแล้วความคิดอื่นเจนกระทั่งเข้าแทรกใจไม่ได้เลยความคิดพุโทโธชนะเลิศชนะนขาดประเด็นหมดวันนี้ขอพักสักวันหนึ่งขอพักสักขนาดจิตหนึ่งขอตามใจตัวเองสักนี้หนึ่งขอตามใจตัวเองสักครั้งหนึ่ง อยากจะแอบคิดไป ม, มีอะไรกับใครขอตามใจตัวเองสักครั้งเดียวแต่ตามใจตัวเองสักครั้งเดียวนี่ะขึ้นต้นตาลไม่มีกิ่งให้เกาะตามตัวตามใจตัวเองครั้งเดียวตกถึงโคนต้นตาลท่านกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมต้องฝืนใจตัวเองตลอดเปรียบเหมือนการขึ้นต้นตามหากตามใจตัวเองสักครั้งเดียวอุตาหลทาความผาาเปลี่ยน มาอย่างแสนสาหัสโดยที่ไม่ตามใจตนเองเลยแม้จะ อ, อยากตามใจตัวเองก็ไปทําเพราะมีพุทธีโิอตบัตความลายก่ใจเ ก, งก่งโกตบาตละอายต่อพระพุทธธรรมพระยสงละอายต่อบูบาจันตอุตสาละอายกระจายมาตลอดขอแอบสักครั้งหนึ่งเพราะว่าลำบากมานานแล้วแต่ครั้งเดียวแหละเกินพอตกตุ้บมาถึงโคต้นก็ต้องกระดึกบกระดึ๊กระดึกขึ้นไปขึ้นไปใหม่อีกนี่ เพราะฉะนั้นทำความดีทำได้ยากแต่การรักษาไว้ยากยิ่งกว่าการทำความดีทำได้ยากแต่การรักษาไว้ได้ยากยิ่งกว่าเพราะคนเรามักจะตามใจตนเองดันั้นต้องมั่นรักษาไว้รักษาความดีไว้รักษายากแต่ทำได้คุ้มมากหลวงปู่ทาว่าพระพุทธเจ้ารอให้รางวัล กับทุกท่านไม่ได้เว้นเลยพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลทุกท่านอยู่ไม่ได้เว้นเลยแต่ท่านทั้งหลายไม่เมตตาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านทั้งหลายไม่เมตตาพุทธเจ้าเลยปล่อยให้พระองค์ตกมืออยู่ข้างเดียวเราไม่เมตตาท่านเลยเราปล่อยใจของเราไปตามใจที่ปาจนาไม่เมตตาต่พอพระองค์เลย พระ อ, องค์รอจะให้รางวัลทุกคนเมื่อถึงเส้นชัยแต่หาคนที่วิ่งถึงเส้นชัยตลอดทางนั้นหายากส่วนใหญ่จะแวะพักและหลุดออกจากทางไปเสียระหว่างทางเ็ะหมดสินพระ อ, องค์รออยู่ที่เส้นชัยแต่หาคนที่วิ่งถึงเส้นชัยนั้นยากจริงๆการจะถึงเส้นชัยได้จะต้องเข้มแข็งอดทนอดกั้นกลมใจระงับจับจังจังใจตลอดทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นของยาก แต่ก็ไม่เกินความสามารถที่ท่านทั้งหลายจะปริเ็นเกียนให้ไปถึงได้เพราะพุทธองค์รอให้รางวัลอยู่ทุกท่านจนท่านได้ตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราสถาคต น, นี่เพราะพุทธองค์รอให้รางวัลอยู่ไม่ได้ว่าเป็นเลย ขอให้ทุกท่านทำความเพียรไปถึงพระองค์ที่รออยู่อย่าตามใจตนเองแม้แต่ครั้งเดียวฝืนไว้ระงับยับยัง้งจังใจไว้ยากนะแต่เมื่อสําเร็จแล้วรางวัลที่ได้สุดยอดไม่มีรางวัลใดที่จะเทียบอีกแล้วพระนิพพานเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นคารวาสหรือเป็นพระพิสุหากมาเป็นเตียนทางใจอย่างที่กล่าวมารักษาความดีไว้ไม่มีความต้องละอายแก่ใจใดๆอีกต่อไปนั่นแหละทุกคนถึงที่หมายบรรลุรางวัลที่ได้หรือปฏิภาเสียทั้งหมดทุกคนใจนั้นจะเป็นสุขอย่างยิ่งตันแหลคือรางวัลที่ปรรเิา นัดติสันติพลังสุขขังความสุขใดเหนือใจที่สงบเป็นไม่มีสงบจากกิเลสปัญหาทั้งมวลสงบจากความที่รถเทียานยากสงบจากความเศร้าร้อนใจใจสงบจากไฟสงบจากไฟลาะ ไ, ไฟโทจะไฟโหหัง เ, เรียกว่าถึงซึ่งความสงบนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งพุทโธอพาพุทโธเป็นมร เป็นทางเดินพุทโธเป็นผลพุทโธเป็นปานิพานอยากขี้เกียจอยากตามใจตนเองสนใจตัวเองไปเรื่อยๆให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระโยทรงอยู่ในใจมีปุบาอาจารย์อยู่ในใจถ้ามีพระพุทธอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระโยทรงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาจนท่านมีดีลิอุดปาก มีความละอายใจต่อท่านอยู่ตลอดเวลาท่านไม่ต้องคองพระก็ได้เพราะใจของท่านเป็นละแล้วใจเป็นพระพุธใจเป็นพระธรรมใจเสร็จเป็นพระยสงใจเสร็จพระนิพพานท่านไม่ต้องคองพระก็ได้เพราะใจของท่านเป็นละก็ให้มีพระอยู่ที่ใจถึงพระพุธถึงพระธรรมถึงพระยสง์ถึงพระนิพพานถึงที่ใจตนไม่ได้ถึงที่ใดถึงที่ใจตนเองพุทโธไว้ ฝึกขัดในจักนานพุทโธและเอ็ยดความมีสติสัพจัญญารู้ตัวตลอดเวลาว่ายังคิดพุทโธอยู่นะแต่แอบไปคิดอย่างอื่นก็รู้ตัวรู้ตสัตทันตีแล้วก็คิดพุทโธพุทโธความคิดพุทโธก็จะมาแรงที่ความคิดเหล่านั้นจะหมดสิ้นแต่วกคิดพุทโธพุทโธไว้เดี๋ยวก็แอบไปคิดอย่างอื่นอีกก็คิดพุทโธไว้พุทโธไว้ให้มีสต er ิสัพจัญญารู้ตัวตลอดเวลาว่ายังคิดพุทโธอยู่หรือยังคิดอย่างอื่น ถ้าคิดอย่างอื่นก็รู้ตัวรู้เท่าทานทันทีแล้วก็คิดพุทโธไว้ให้รู้วิสติสัพจัญญารู้รู้รู้ตัวอยู่ทุกขณะปัจจุบันว่าเราคิดอะไรอยู่คิดพุดโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่นอยู่ถ้าเขาไม่คิดพุดโธและไม่คิดอะไรเลยก็ให้รู้รวยว่าขณะนั้นใจไม่ได้คิดอะไรก็ให้คิดพุดโธขึ้นมาเพราะบางทีไม่แน่ใจว่าไม่ได้คิดอะไรหรือเปล่าเราก็คิดพุทโธขึ้นมาก่อนแล้วให้รู้ให้วิสติสัพจัญญา รู้ความคิดพุทโธนะรู้ไปเรื่อยๆรูๆ้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆอย่าได้วางเว้นให้รู้ตัวตลอดเวลาว่ายังคิดพุทโธอยู่ให้อยู่กับใจผู้รู้สติสัมปชัญญะหรือใจผู้รู้คือมีความรู้ตัวตลอดเวลาว่ า, <tenth. S 1> วายัางคิดพุทโธอยู่พุโทโธเป็นเพียงเครื่องล่อให้ใจผู้รู้ได้รู้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราเองยังคิดพุทโธอยู่ไม่แอบไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ผู้รู้มารู้ตัวทันทีรู้ตัอสนทันทีแล้วก็กลับมาคิดพุทโธพุทโธ ปัตนาความปัตนาสุดท้ายคือใจผู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราคิดพุโทโธอยู่หรือคิดอะไรให้มีตสติสัพพัญญารู้ตัวรู้เท่าทันตลอดเวลาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ตัวมีความรู้ตัวรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาความคิดพุโทโธเป็นเตียงเครื่องล่อให้ผู้รู้ได้เกิดมารู้ดังนั้นเราต้องรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราคิดพุโทโธอยู่หรือคิดอย่างไร ให้มีความรู้ให้แน่ว แ, แน่มันคงให้รู้ตัวอยู่เสมอตราบใดที่มีความรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราคิดพุทโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่นใดตราบนั้นเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะปรบูรณ์บริบูรณ์ตลอดเวลาเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้กล่าวว่าความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นท่านต้องมีความรู้ตัว รู้ตัวรู้เตาทันมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาให้มีความรู้ไว้ชัดเจนว่าตัวของเราเองกําลังคิดขุโธอยู่หรือคิดอย่างอื่นต้องการความ ร, า ร, ารู้ต้องการความรู้ต้องการสติต้องการสติต้องการความรู้ฝึกสติจนเป็นมหาสติก็จะเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาสติก็คือความรู้ตัวนั่นเองทุกขณะปัจจุบันว่า เราคิดพุทโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่นอย่าไปสนใจกับอาการอื่นใดๆไม่ว่าอาการนั้นจะโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบสบายมันจะม่วงจะซึมจะซึบ อ, อะไรก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่ตลอดเวลาว่าขณะปัจจุบันนี้คิดพุทโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่นอยู่ไม่ต้องการความคิดพุทโธแต่ความคิดพุทโธจะเป็นตัวล่อให้ผู้รู้ความรู้ตัวมีอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเราไปคิดอย่างอื่นมันก็จะเป็นกิเลสทันหาเป็นความเพลินใจเป็นความฟุ้งซ่านดังนั้นจึงให้คิดพุโทโธไว้แต่คิดพุโทโธไว้ก็ไม่ได้ต้องการความคิดพุโทโธพุทความคิดพุโทโธนั้นจะเป็นตัวล่อให้ผู้รู้เกิดหรือสติเกิดอยู่ตลอดเวลาต้องการตัวสติหรือต้องการตัวผู้รู้เพราะผู้รู้นั่นแหละคือธรรมเมื่อใดมีความรู้ตัวตลอดเวลาก็เรียกว่ามีธรรมตลอดเวลา แล้วมีความรู้ตัวต้องชัดเจนแจ่มแจ๋วอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้มีความรู้ตัวชัดเจนแจ่มแจ๋วตลอดเวลาว่าขณาดปัจจุบันนี้คิดอะไรอยู่หรือไม่คิดอะไรก็รู้ว่าไม่คิดอะไรแต่พอไม่ไ้ม่คิดอะไรแเรวก็คิดพุทโธขึ้นมาซะเลยแล้วก็รู้ตัวตลอดเวลาว่ากำคิดพุโธอยู่ไม่ต้องการความคิดพุโธแต่ต้องการผู้รู้ตัวรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังคิดพุโธอยู่หรือว่าคิดอย่างอื่น เพราะผู้รู้นั่นแหละคือทำเราต้องการทำจึงต้องมีผู้รู้เพราะผู้รู้นั่นแหละคือทำปรดี๋ยวคำถามของหนูป่วยมันจก็จะมีประโยชน์ประผู้ปฏิบัติคือหนูป่วยถามว่าความคิดพุดโทโธมันหายไปเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะเพราะว่ามันมีความคิดอื่นแทรกตอนเข้ามาอย่างนี้ถือว่าสติขาดหรือเปล่า คือสติรู้ว่าตัวเราเองกำลังคิดพุโธพุโธพุโธอยู่สติก็รู้อยู่ว่าเราคิดพุโธพุโธอยู่แต่เมื่อความคิดพุโธหายไปเพราะมีความคิดอื่นแทรกันมาพุโธหายแต่สติก็รู้อยู่ว่าความคิดพุโธหายไปเพราะมีความคิดอื่นแทรกมาสติก็ยังรู้อยู่ว่าความคิดพุโธหายไปเพราะมีความคิดอื่นแทรกมาสติ ก็รู้ว่าพุโทโธหายไปแล้วก็คิดพุโทโธขึ้นมาใหม่เมื่อคิดพุโทโธใหม่สติก็มารู้ว่าตาเนี้ยเราคิดพุโทโธขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวคิดพุโทโธพุธโทโธไปสักพักหนึ่งความคิดพุโทโธก็หายไปอีกเพราะมีความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาสติกก็รู้ตัวว่าความคิดพุโทโธหายไป พอมีความคิดอ right. right. ื right, ่นแทรกมาแล้วก็คิดพ ah ุทโธขึ um ้นมาสติก็รู้ว่าบัดนี้คิดพุโธขึ้นมาใหม่แล้วการที่มีสติรู้ตลอดเวลาว่าความคิดพุทโธหายไปแล้วเราก็คิดพุทโธขึ้นมาใหม่สติที่รู้ตลอดเวลาว่าเราคิดพุทโธอยู่สติก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าคิดพุโธอยู่เมื่อพุทโธหายสติก็รู้ว่าพุโธหาย อย่างนี้เรียกว่ามีส ต, ติต่อเนื่องไม่ขาดสายคำถามของนุ้วบัวยอนนี่ดีจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านก็คือว่าพุทโธเนี่ยจะหายไปเป็นระยะระยะได้เพราะว่าท่านคิดพุทโธพุทโธอยู่แล้วท่านก็มีสติและปัญญ า, ามารู้ตัวตลอดเวลาว่าตัวเราเองกำลังคิดพุทโธอยู่แต่บางครั้งความคิดพุทโธหายไปเพราะมีความคิดอย่างอื่นแทรกตอนเข้ามา หรือว่ารู้ว่ามีความคิดสื่อแจกมาในขณะที่พุโทโธหายเราก็รู้ตัวว่าพุโทโธหายไปแล้วเราก็พุโทโธขึ้นมาใหม่สติที่รู้ว่าพุโทโธหายไปแล้วเราเขพุโทโธขึ้นมาใหม่สติก็ยังรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ขาดแต่พุโทโธขาดพุดโทโธขาดได้แต่สติขาดไม่ได้เนี่ยตรงนี้เป็นสาระสําคัญมากนะ พอพุทโธพุทโธไปบางนี้ก็ลองคิดอย่างอื่นแทรกมามากแต่ส ต, ติรู้ ต, ตัวตลอดเวลาว่าตอนนี้พุทโธขาดแล้วพุทโธหายไปแล้วเราก็คิดพุทโธขึ้นมาใหม่จเจนว่าพุทโธนั้นจะขาดเป็นระยะระยะเป็นบางช่วงบางช่วงแต่ส ต, ตินั้นไม่เคยขาดพุทโธขาดแต่เมื่อส ต, ติรู้ว่าพุทโธขาดแล้วแล้วก็พุทโธขึ้นมาใหม่เรียกว่าส ต, ติไม่ขาดการปฏิบัติต้องการให้ส ต, ตินั้นต่อเนื่องไม่ขาดสาย ไม่ใช่ว่าพุทโธต่อเนื่องไม่ขาดสายต้องการได้สติที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะว่าธรรมะแปดหมืนสี่พันธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าสอนอยู่สี่สิบห้าปีนั้นรวมลงที่สติทั้งหมดถ้าสติขาดขา ด, ขาดทำหมดทั้งหมดเลยขาดหลักธรรมทั้งหมดสตินั่นแหละคือหลักธรรมสิลปูทาว่าสติอันเดียวอย่าเอาหลายสตินั้นคือหลักธรรมสติขาดขา ด, ขาดหมดเลย ฉะนั้นสติขาดไม่ได้แต่พุทโธขาดได้เมื่อพุทโธขาดสติก็รู้ว่าบัดนี้พุทโธขาดแล้วอย่างที่เรียกว่าสติไม่ขาดเพราะพอพุทโธขาดสติก็รู้ว่าพุทโธขาดแล้วเราก็พุทโธขึ้นมาใหม่สติก็รู้ว่าบัดนี้พุทโธขึ้นมาใหม่อย่างที่เรียกว่าสติไม่ขาดสําคัญจริงอยู่ที่ตัวสติสติที่ขาดพุทโธขาดได้เป็นระยะระยะแต่เมื่อพุทโธขาดแล้วก็สติก็รู้ว่าพุทโธขาดแล้วแล้วก็คิด พุทโธขึ้นมาใหม่สติก็รู้ว่าแบบ น, นี้คิดพุทโธขึ้นมาใหม่แล้วอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ขาดเพราะพุทโธหายสติก็รู้ว่าพุทโธหายสติไม่ขาดนะสติขาดก็หมายถึงว่าคิดพุทโธไปสติก็ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังคิดพุทโธอยู่มีแตบพุทโธไปเรื่อยเหมือนนอกแก้วนูพุนทองแต่สติก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองคิดพุทโธอยู่อย่างนี้เรียกว่าพุทโธไม่ขาดแต่สติขาด พุโทโธเป็นนกแก้วนกกรตั้งไปเรื่อยๆเลยจะไม่มีสติรู้ตัวว่าตัวเองกำลังคิดพุดโทโธอยู่บริกรรมพุโทโธอยู่อย่างนี้เรียกว่าพุโทโธไม่ขาดแต่สติขาดอย่างนี้ไม่ได้ผลอะไรเพราะการปฏิบัติต้องการสดสติสติเป็นหลักธรรมธรรมมาแปดหมื่นสติพันธะธรรมขันธ์รวมลงที่สติสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหาย สติมีสมาธิมีปัญญามีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพ่นานนิพพานนี่ท่านกล่าวไว้ชัดเจนสติอันเดียวอย่าเอาหลายเพราะฉะนั้นพุโทโธไม่ขาดเลยพุโทโธตลอดแต่ไม่มีสติรู้ตัวว่าตัวเองอะคิดพุดโทโธอยู่หรือว่าคิดอะไรแต่คิดพุดโทโธไปเรื่อยเปืยแต่ไม่มีสติมารู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังคิดพุดโทโธอยู่นะไม่ได้คิดอย่างอื่น พอส้ิพุทโธหายสติก็รู้ทันทีว่าตอนนี้พุทโธหายไปแล้วหรือพุทโธสติก็รู้ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าพุทโธหายแต่สติไม่หายพุทโธขาดแต่สติไม่ขาดแต่ถ้าพุทโธไปเรื่อยๆโดยทีย่พุทโธมันจิตต่อเนื่องกันไปเรื่อยแต่สติไม่รู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าพุทโธต่อเนื่องแต่สติขาดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์จะได้ในการ ป, ปิบัตินี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยพุทโธพุทโธอย่ยางนีแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆไม่หลับก็ไม่หลับสติอย่างนี <het> ้ <c oughs> อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าสติที่รู้อย่างนี้ท่านให้รู้อย่าต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ให้หลับเลยแต่กายนั้นจะนอนหลับได้ให้หลับตาไว้อย่าลืมตาร่างกายก็ได้พักผ่อนไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะไม่หลับให้มีสติรู้ ต, ตัวตลอดเวลาว่าคิดบริกรรมพุโทโธไว้นะไม่ได้ขาดเลยสติก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าพุโทโธหายไปแล้วแล้วก็ แม้แต่หลับอยู่ก็พุทโธขึ้นมาแล้วสติก็รู้ตลอดไปการพุทโธขึ้นมาหรือคิดอย่างอื่นสติก็รู้ตลอดเวลาว่าไป่คิดอย่างอื่นไม่ได้คิดพุโทโธอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ขาดแม้แต่มีความคิดอื่นแทรกซ้อนมาแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่ามีความคิดอื่นแสกซ้อนมาอย่างนี้เรียกว่าสติไม่ขาดแต่ตัวพุโทโธขาดพุโทโธขาดได้แต่สติรู้อย่าขาดแล้วไม่ต้องกลัวว่ารู้ๆไปแล้วก็จะนอนไม่หลับเพราะว่าตายนี่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเขหลับเอง แต่สติรู้นั้นไม่เคยหลับเลยพระอรหันต์ทั้งหลายสติรู้นั้นไม่เคยหลับแต่กายนั้นนอนโกนกรอกคอกอกแต่สติรู้นั้นไม่เคยขาดเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่า น, นก็ยืนยันอย่างนี้สติรู้นั้นไม่เคยขาดเลยแต่กายนั้นนอนโกนนอนหลับนอนโกนกรอกคอกสติรูก้ก็มารู้ว่ากายตัวเองนอนกนอยู่ดังนั้นใจกับกายเป็นอิสระรต่อกันกายก็ทําหน้าที่ของเขาไป เมื่อเขาเหน็ดเหนื่อยมือยล้าเขาก็นับหน้าที่หลับของเขาไปพขาผ่อนของเขาไปแต่สติรู้ไม่เคยหลับเลยมีความรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตลอดการจึงเป็นพุทโธเป็นพุทธะเห็นใจสงสัย <c oughs> ไม่รู้ว่าเสาพุโทโธอยู่มีสติหรือเปล่าถ้ามีถ้าเราเองรู้เรารู้ตัวอยู่ว่าเราบริการพุโทโธอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติแม้แต่เรานั่งหลับอยู่แต่เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเรายังบริการพุโทโธอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติแล้วก็คำบริการพุโทโธหายไป แล้วเราก็รู้ว่าแบบ น, นี้คําบริกรรมพุโทโธหายไปแล้วแล้วก็มีคําบริกรรมพุโทโธขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีตสติตลอดจะสงสัยว่าเออเรามปสติหรือเปล่าท่าลองให้คําบริกรรมพุโทโธหายแล้วท่านรู้ไหมว่าคําบริกรรมพุโทโธหายถ้าคําบริกรรมพุโทโธหายแล้วก็รู้ว่าคำบริกรผูุ้ทโธหายแสดงว่าท่านมีตสติถ้าพุโทโธพุ้โธไปไม่รู้ตัวเองผู้โธเราผู้โธหายรู้ไหม ถ้าพุทโธหายเรารู้ว่าพุทโธหายอย่างที่แสดงว่าเป็นผู้มีสติเจอน้หมอเป็นงสัยเจอราเถาอ่อานนะนแล้วเราก็ิดูคู้ายไปหรืว่าเราไปวูทัศน์สความมันก็หายไปใมีความคิดเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วก็ความคิดเหล่านั้นหายไป เราไม่มีความรู้สึกว่าแน่นอึดหัดซึ้งตื่ออะไรเป็นปกติธรรมดาไดเลหลือแต่รู้ลอยใจฟีสละอย่างนั้นไม่เรียกว่าไปกดข่มบังคับอะไรแต่ถ้าความคิดหายไปแล้วเกิด อ, อาการทางกายแน่นอึดอัดซึ้งตื่ออย่างนั้นเรียกว่าไปสะกดจิตไปสะกดความคิดนั้นไว้ววววความคิดหายไปเรือปกติครับเพราะว่าพอมิติรู้ว่าความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปเองอัตโนมัติก็เหลือแต่ผู้รู้ลอย็ใจฟีสละไว้ เหลแต่รู้พิสลดอย่างเดียวแล้วก็เมื่อความคิดหายไปก็เหลือแต่ใจที่วา่างเปล่าก็รู้อยู่กั้ที่ใจที่ว่างเปล่านั้นไม่ต้องคิดอะไรขึ้นมาก็ได้ครับอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงผู้รู้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้ที่คำบริกรรมพุโทโธ